นะสามจุดเก้ามรณสติในวงเล็บเปิดยี่สิบห้ากุมภาพันสองพันห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสามสิบเก้าวงเล็บปิดกรรมฐานใดๆที่ยังเจือด้วยความคิดเป็นสมถะมรณสติก็เป็นอนุสติอันหนึ่งการคิดถึงความตายเรียกมรณสติในเวลาที่คิดถึงความตายจิตใจเราสงบจิตใจไม่เดือดร้อนดิ้นรนฟุ้งซ่านไปมันรูร้ว่าไม่นานก็ตายพิจารณาลงไป ใจสงบได้สมถะจิตก็รวมลงมาสงบเย็นสบายนะแต่ว่าพอออกจากตรงนี้เดี๋ยวมันก็กลับไปร้อนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นหยุดอยู่แค่สมถะไม่ได้นะตอนจิตใจสบายแล้วตอนที่เราถอยออกจากสมาธิมาให้มีสติตามรู้จิตไปเลยเราจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้สว่างตอนนี้ชักไม่สว่างจิตเมื่อกี้สบายตอนนี้ชักไม่สบายจิตเมื่อกี้เบาตอนนี้ชักจะหนักๆให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราจะต้องภาวนาจนเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราต่อหน้าต่อตาไม่ใช่คิดเอานะจะต้องรู้สึกเอาเลยรู้สึกได้ชัดๆว่าไม่ใช่เราอย่างนี้ทั้งจะเป็นวิปัสสนาหลวงปู่เทศก็เคยสอนว่าถ้าทำกรรมฐานอันอื่นไม่ลงให้ทำมรณสติอย่างเราโกรธใครสักคนน ะ, จะเจริญเมตตาไม่หายให้คิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็ตายนะพิจารณาลงไปร่างกายนี่ค่อยๆแก่ไปค่อยๆตาย ตายแล้วศพก็ขึ้นอืดขึ้นพองจนกระทั่งน้ำหนองน้ำเหลืองไหลตัวเหี่ยวลงมาตัวแห้งไปหรือเอาไปเผาเสร็จแล้วมันไม่ไปโกรธเขาจะ ต, ต้องพิจารณาตัวเองตายนะอย่าพิจารณาว่าให้เขาตายซะเหอะหรือให้เขาตายเร็วๆนะจะไม่หายโกรธนะ